สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซู228ตอนทําอธิษฐานของพระเยซูตอนที่สามครับพระเจ้าของพระเจ้าก็เช่นเดิมนะครับมัทธิวบทที่หกข้อที่เก้าถึงข้อที่สิบสามนี่คือคาเทศนาซีรีส์เรื่องทาอธิษฐานของพระเยซูอย่างละเอียดโปรดฟังพระเจของพระเจ้าให้เราอธิษฐานพร้อมกันครับ ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพงทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพงทั้งหลายในการวันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษ ผู้ที่ทําผิดต่อข้าพระองค์นั้นแต่ขออย่านําข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชสำนักฤทธิเดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบสืบไปเป็นนิจอาเมนพี่น้องครับอย่าลืมนะครับก่อนที่เราจะลุกขึ้นจากเตียงตอนเชา้าให้เราอาธิษฐานนะครับขอให้การอาธิษฐานนั้นจะกลายเป็นสัญชาติญาณของเรา ในการที่เราจะเริ่มต้นชีวิตในวันใหม่พี่น้องครับก่อนที่จะลุกจากเตียงให้เราอธิษฐานนะครับแล้วก็แต่ละประโยคแต่ละประโยคให้เราหยุดแล้วเราก็พูดกับพระเจ้าคิดต่อไปใคขควนต่อไปนะครับในวันนี้ผมจะยกตัวอย่างของอผู้รับใช้พระเจ้าท่านหนึ่งถึงสิ่งที่ท่านได้ ให้ควรแะท่านเขียนออกมานะครับถ้าแต่พระบิดาเห็นข้าพงทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์หยุดเพื่อระลึกถึงว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้น่าเกรงขามผู้ทรงมีฤทธิ์เดชในการสร้างโลกทรงดูแลโลกและพระองค์ทรงเป็นคุณพ่อของผมเป็นคุณพ่อผู้หวงใยผม ผมสรรเสริญพระองค์เพราะว่าความดีงามความเลิศประเสริฐของพระองค์ผมสรรเสริญพระองค์เพราะพระองค์ทรงรักผมและทรงดูแลผมอย่างที่ผมดูแลครอบครัวของผมเองนี่คือตัวอย่างของการหยุดและไข้ควรและลึกถึงประโยคที่เราได้อธิษฐานพี่น้องครับหากว่าเราทําอย่างนี้ทุกวันนะครับอย่างน้อยวันละสองครั้ง เช้านะครับแล้วก็ก่อนนอนครับก่อนที่เราจะลุกจากเตียงและก่อนที่เราจะหลับไปในคําอธิษฐานประโยคต่อไปครับขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะคําว่าเคารพสักการะผมคิดถึงความบริสุทธิ์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงบริสุทธิ์ในความคิดของข้าพระองค์และทรงโปรดให้ชีวิตของข้าพระองค์ก็บริสุทธิ์ด้วยทรงโปรด ให้พระพรคงสําแดงถึงความบริสุทธิ์ของพระองค์ในการพูดคุยกับพระองค์ในวันนี้และพูดคุยกับคนอื่นๆด้วยต่อมาผมก็ร้องเพลงนำ้ำมศการส า, สาธุสาธุสาธุพระเป็นเจ้าทรงเดชา เวลาชาวควรข้าพเจ้าลงเพลงสรเสริญพระนามพี่น้องครับผู้รับใช้ท่านนี้เขียนต่อไปนะครับว่าเมื่อผมสรรเสริญพระเจ้าผมรู้สึกถึงการทรงสถิตของพระองค์คืบคลานเข้ามาในห้องที่ผมอธิษฐานอยู่เหมือนกับไม่ยามเช้าหรือหมอกยามเช้าที่คลืบ่อนเข้ามา บนภูเขาสูงทัศนคติหรือความรู้สึกของผมก็เริ่มเปลี่ยนไปผมรู้สึกอบอุ่นแม้ว่าอากาศภายนอกจะดูน่ากลัวแต่ในห้องผมผมสัมผัสกับพระเจ้าได้ผมเริ่มน้ำมศ ก, การพระเจ้าในการอธิษฐานคาอธิษฐานของพระเยซูไม่ได้อธิษฐานถึงสิ่งที่ตัวเองเป็นห่วงแต่ผมจดจ่ออยู่ที่พระเจ้า ได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างเมื่อจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างเมื่อนมัสการพระเจ้าเพราะพระองค์เสด็จมาใกล้ผมผมรู้สึกอย่างนั้นเสด็จมาเพื่อรับการนำมาสการของผมพระเยซูสอนผมว่าพระบิดาสแสวงหาให้เรานมาสการพระองค์ดังนั้นเมื่อผมนมาสการพระองค์ ผมกำลังเชื่อฟังพระคัมภีร์กําลังเชื่อฟังพระเยซูคนส่วนใหญ่คิดว่าพระเจ้าประทับอยู่ในสวรรค์แท้จริงพระเจ้าประทับอยู่ในใจของผมจริงๆแล้วพระคัมภีร์สอนว่าพระองค์ทรงประทับอยู่เนื้อคําสรรเสริญของอ <cam> ิสราเอลเมื่อพระองค์ประทับอยู่เหนือคําสรรเสริญของอิสราเอลได้ฉันใดพระองค์ก็ประทับอยู่เหนือคําสรรเสริญของผมได้ฉันนั้น พระองค์ได้เสด็จเข้ามาในห้องของผมการสถิตของพระองค์เติมเต็มช้าวันนั้นของผมให้ผมได้สัมผัสพระองค์ผมได้นำมาสการพระองค์ผมผมได้สัมผัสกับพระองค์เองซึ่งเสด็จมารับการน้ำมาสการของผมนี่นะครับนี่เป็นตัวอย่างที่ทําให้เราทั้งหลายได้มีโอกาสไขครัวถึงชีวิตส่วนตัวของเราในเรื่องของการน้ำมาสการ เราสามารถนมัสการได้โดยผ่านทางคำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์เป็นต้นครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะให้เราเห็นภาพคร่าวๆของคำทูลขอในคำอธิษฐานของพระเยซูที่ตัดสอนเราแท้จริงแล้วมีคำทูลขออยู่ทั้งสิ้นเจ็ประการนะครับในวันพรุ่งนี้เราจะดูกันอย่างละเอียดแต่ในวันนี้เราจะดูภาพคร่าวๆหรือโครงสร้างของ คำทูลขอทั้งเจ็ดประการนี้พี่น้องครับคำทูลขอแรกต่อจากการนับศักดิพระเจ้าก็คือขอให้พระนางของพระองค์เป็นที่คารวะสักการะคำทูลขอที่สองก็คือขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่คำทูลขอประการที่สามขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์นี่คือคำทูลขอสามประการแรกที่เน้น หรือที่โฟกัสอยู่ที่พระเจ้าครับต่อไปนะครับคำทุนข้อที่สี่ถือว่าเป็นตัวเชื่อมบางคนเรียกว่าบานพับครับเพราะว่าบานพับนั้นจะยึดติดประตูที่เปิดไปได้ทั้งสองด้านหรือสะพานเชื่อมก็คือเชื่อมระหว่างสองฝั่งฝั่งหนึ่งคือพระเจ้าอีกฝั่งหนึ่งคือตัวผมหรือตัวพวกเรา คำทุนขอที่สี่ก็คือขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าตรงค์คำว่าอาหารนั้นเป็นสนัญลักษณ์ที่แสดงถึงชีวิตฝ่ายร่างกายเราต้องการชีวิตฝ่ายร่างกายเพื่อถาวายเกียรติแด่พระเจ้าและเพื่อดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณต่อไปครับอันนี้คือคําคุณขอที่สี่ซึ่งเปรียบเหมือนสะพานครับเปรียบเหมือนกับบัมพับต่อไปเราจะไปดู อีกสามประการ น, นะครับคำทูลขออีกสามสามประการซึ่งเป็นชุดคำทูลขอที่ห้าครับก็คือขออย่านำค่าพรงเข้าบริการทดลองขอท ร, ร, รงโปรดยกบาปผิดของค่าพรงและขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายครับนี่คืออีกสามขอนะครับเป็นคำทูลขอที่ห้าที่หกและที่เจ็ด พี่น้องครับคาทูลขอแต่ละประการนี้ประกอบด้วยรากมากมายเช่นเดียวกับต้นไม้ที่สูงขึ้นไปถึงสวรรค์พี่น้องครับคำว่ารากนี้หมายถึงว่ามีความลึกซึ้งในเรื่องของความรู้ในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของสิ่งต่างที่จะสัมผัสกับพระเจ้าได้ผ่านทางคำทูลขอทั้งเจ็ดประการนี้ นี่นะครับแม้ว่าแต่ละประโยคเล็กๆของคําอธิษฐานของพระเยซูนั้นมีความหมายทั้งสิ้นนะครับมีความหมายทั้งสิ้นและสามารถเปลี่ยนชีวิตของเราเมื่อเราไข่ครวนเมื่อเราเรียนรู้ในการอธิษฐานนี่นงครับควมอธิษฐานให้พี่น้องรวมทั้งผมเองด้วยได้มีโอกาสสัมผัสกับพระเจ้าเราสามารถสัมผัสกับพระเจ้าได้ เพราะพรองค์ทรงพระชนอยู่ครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่สําคัญในการอธิษฐานแต่ว่าเราต้องฝึกฝนนะครับเราจะต้องฝึกฝนที่จะหยุดและก็รำพึงภาวนารำพึงภาวนาและเราสามารถนับสการพระเจ้าได้และเราจะพบกับพระองค์ในที่สุดขอพระเจ้าช่วยเหลือเราทั้งหลายนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงแห่งเทศกาลเข้าสู่ธรรม หรือจะเลอนเป็นภาษาอังกฤษว่า Lent L, ent, L E N T Lent เป็นช่วงแห่งการที่เราจะแสวงหาพระเจ้าครับ40วันนับจากวันพุทธที่ผ่านมายกเว้นวันอาทิตย์ครับนับไปเรื่อยๆครบ40วันวันนั้นแหละครับคือวันอีสเตอร์ขอพระเจ้าช่วยพี่น้องนะครับในการที่40วันแห่งการถืออดจะเป็น40วันที่เราจะอดอาหารและอธิษฐาน บางท่านอาจจะถืออดบางมือบางท่านอาจจะถืออดบางวันบางท่านอาจจะถืออดอาหารบางอย่างเป็นอะไรครับการถืออดเวลาที่เราไม่ได้กินเป็นเวลาที่เราจะเข้าข้อพระเจ้าอาธิษฐานเพื่อที่เราจะสัมผัสกับพระองค์ในที่สุดขอพระเจ้าช่วยและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอาเมน